อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ411 1. ภิกพิษูเดินทางโดยไม่ได้ชักชวน 2. คนทั้งหลายชักชวนแต่พิกษูไม่ได้ชักชวน 3. ภิพิษูไปผิดเวลานัดหมาย 4. ภิพิษูผู้เดินทางกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรในคราวมีเหตุขัดข้อง 5. ภิพิษุวิกลจริต 6. ภพิษูต้นบัญญัติ เทยยะสัทธาสิกขาบทที่หกจบ